พระพุทธศาสนาสอนให้พวกเราเชื่อในกฎแห่งกรรมว่าชีวิตของเราจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วอยู่ที่การกระทาของเราการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจทำให้เรามาเกิดเป็นคนดีเป็นคนไม่ดี เป็นคนรวยเป็นคนจนเป็นคนฉลาดเป็นคนง่เป็นคนที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงหรือเป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเป็นคนที่อายุยืนยาวนานหรืออายุสั้น เป็นคนที่อยู่อย่างมีความสุขหรืออยู่อย่างมีความทุกข์นีผลเหล่านี้เกิดจากกรรมคือการกระทําของเราทางกายทางวาจาและทางใจถ้าทําดีทางกายทางวาจาทางใจจะเกิดความสุขขึ้นมาถ้าทําชั่วทํำบาป ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา น, นี่เป็นผลที่เกิดขึ้นทันทีเกิดขึ้นที่ใจของพวกเราเวลาดูผลของกรรมนี่อย่าไปมองที่ข้างนอกอย่าไปมองที่ลาบยศสลรเสริม ลาบยศสารเสรนนี้มันเป็นผลที่เกิดจากกรรมในอดีตเรามาเกิดมารวยมาจนมันเป็นเรื่องของบุญกรรมที่เราทําไว้ในอดีตมันจึงส่งให้เรามาเกิดรวยเกิดจนขึ้นมาแต่ในปัจจุบันการทําความดีของเราไม่ได้ทําให้เรารวยขึ้นมาทันที มันจะค่อยสะสมแล้วคราวหน้ากลับมาเกิดใหม่ถึงจะค่อยกลับมารวยใหม่ถ้าเราไม่มองอย่างนี้เราจะสับสนเราจะเห็นคนทําบาปแล้วกลับรวยมีถมไปทําดีไม่มีผลทําชั่วได้ดิบได้ดีมีผลมีถมไปนี่เรามองผิด เรามองไม่ถูกผลของการทำความดีในปัจจุบันอยู่ที่ความรู้สึกในใจของเราเราทำความดีเราจะมีความสุขใจขึ้นมาทันทีแต่เราไม่รวยขึ้นมาทันทเีเราอาจจะจนลงไปเสียด้วยซ้าไปเพราะการทำความดีบางทีต้องเสียสละ ต้องเสียสละข้าวของเงินทองเสียสละ <c oughs> เวลาเสียสละประโยชน์สุขของตนเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อผู้อื่นอันนี้เป็นการทำความดีทำดีแล้วใจจะมีความสุขแล้วตายไปมันจะไปสู่สุคตินะผลของกรรมมันไม่ได้อยู่ที่ ลาบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนะมันอยู่ที่ใจในปัจจุบันก็อยู่ที่ความสุขใจอิ่มใจตายไปก็ไปสู่สุขติเวลากลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์เนี่ยถึงจะกลับมาเกิดร่ำรวยเกิดมีฐานะดีต้องบองอย่างนี้แล้วจะทำให้เรามีกำลังใจ ที่จะทำความดีกันแล้วจะทำให้เราไม่กล้าทำบาปกันเพราะเวลาเราทำบาปเราจะมีความรู้สึกทุกข์ใจขึ้นมาทันทีทำบาปแล้วไม่สบายใจถึงแม้ได้เงินทองมาได้อะไรมาแต่ใจไม่สบายใจไม่มีความสุขเหมือนตอนที่ไม่ได้ทำบาป แล้วตายไปก็ต้องไปเกิดในอบาย น, นี่คือผลของบาปแล้วเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเป็นมนุษย์ที่ด้อยโอกาสอาภัพวาสนาเป็นมนุษย์ต่ำต้อยเป็นคนยากจนเป็นคนโง่คนไม่ฉลาดคนที่มีอาการไม่ครบสามสิบสอง โ ห, หนกตาบอดแขนขาดขาขาดคนมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนคนอายุสั้นอยู่ก็อยู่อยู่แบบทุกข์อยู่ไม่สุขใจจะคิดจะทําบาปอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเคยทําบาปมามันก็จะติดเป็นนิสัยมาเวลากลับมาเกิดใหม่มันก็จะคิดแต่จะทําบาป <c oughs> เพราะมันเป็นวิธีที่ทำมาแต่ดั้งเดิมเป็นนิสัยเหมือนคนเคยใช้มือขวากลับมาเกิดก็จะกลับมาเกิดถนัดมือขวาคนที่ถนัดมือซ้ายกลับมาเกิดก็จะถนัดมือซ้ายคนที่ถนัดทำบุญทำความดีก็จะกลับมาเกิดทำความดีคนที่ถนัดทำความชั่วทำบาปก็จะกลับมา ทำบาปอยู่เรื่อยๆอ น, นี่คือการดูผลของกรรมให้ดูตรงนี้อย่าไปดูตรงที่ล า, าบยศสรรเสริญเช่นความร่ำรวยการมีตำแหน่งสูงๆใหญ่โตเป็นใหญ่เป็นโตเพราะสิ่งเหล่านี้สามารถได้มาโดยวิธีทำบาปกันคนจึงมักจะเลือกทางนี้ เรื่อง ก, การกระทำบาปถ้ามองผลที่ได้ในทางลาบยศเสรเิญสุขคนก็อยากจะทำบาปกันเพราะทำบาปมันได้เร็วกว่าไม่ทำบาปโกงแล้วมันรวยกว่าเร็วกว่าคนไม่โกงขอรับชั้นแล้วมันรวยกว่าคนที่ไม่ขอรับชั้นขอรับชั้นก็ไม่มีใครรู้ใครเห็น รู้ก็ไม่มีใครทำอะไรใช่ไมรู้กันอยู่ก่อนทำงานในที่เดียวกันจะไม่ทำไมจะไม่รู้ว่าใครขอรับชั่นหรือไม่ขอรับชั่นรู้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเอาหูไปนาเอาตาไปไล่นี่แหละถ้าเรามองที่ตรงนี้เราจะเราจะมีความเห็นผิดแล้วจะทำให้เราไม่อยากจะทำความดีกัน อยากจะทำบาปกันแต่ถ้าเรามองตามแนวที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรามองให้มองที่ใจใจเป็นผู้กระทำแลวใจเป็นผู้รับผลของการกระทำการกระทำมันมีมีผลเร็วผลช้าผลเร็วก็คือที่ใจ ทำปุ๊บนใจจะได้รับผลทันทีทำความดีนิจใจจะมีความสุขทันทีรลองเสียสละอะไรสักอย่างสิยิ่งของที่เรารักเราหวงนี่ถ้าเสียสละได้ยกให้คนอื่นได้นี่โอ้ยเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจเช่นยกแฟนให้กับคนอื่นได้ข่าวมาว่าแฟนชอบชอบคนนั้นชอบคนนี้ไปจู่จีกับคนนั้นจู่จีคนนี้ เราจะเป็นเราจะเป็นบ้าตายให้ได้ทุกไปกับแฟนอา้าถ้าถ้าอยากจะหายทุกอยากจะมีความสุขยกแฟนให้เขาไปเลยเ อ, อยากกันเลยบายบายไปเธออยากจะไปอยู่กับใครเชิญไปเลยเทานี้ได้เนี่ ย, เ, ยเสียสละทำความดีไม่ไปขัดขวางเขาเขาอยากจะมีความสุขก็ให้เขามีความสุขไป แล้วเราจะหายทุก์ทันทีเราจะมีความสุขใจเบาใจสบายใจขึ้นมาเนี่ยนี่คือการเสียสละเสียของแต่ได้ความสุขใจถ้าเรามองที่หยามองที่ของเราจะคิดว่าเราโง่เราขาดทุนเสียของเสียแฟนไปเราต้องอยู่แบบเหงาแบบว้าเวเเย แต่ถ้ามองที่ใจมันไม่เหงามันไม่ว้าเวมันหายทุกข์มันหายเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับเกี่ยวกับเรื่องแฟนมาหลายวันพอปรงได้ตัดสินใจนะว่ า, าทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาเมื่อถึงเวลาเขาจะไปก็ให้เขาไปไปเหนี่ยวรั้งเขาไว้ทําไมเหนี่ยวรั้งแล้วมันจะทุกข์นี่นี่คือการทําความดีแทนที่จะไป คอยเฝ้าคอยดูไปคอยดา่าไปคอยว่าเขาแล้วเดี๋ยวก็ต้องทะเลาะกันทะเลาะกันแทบเป็นแทบตายเดี๋ยวก็ตีกันฆ่ากันที่เนี่ยให้ดูผลตรงนี้ผลที่จะเกิดจากการทําความดีคือให้ความสุขให้คนอื่นเขามีความสุขถ้าเขาต้องการสิ่งนี้ให้เขาไปเลย เขาได้แล้วเขามีความสุขเราก็สบายใจไม่ต้องคอยมาต่อสู้กันมาแย่งกันนี่คือผลของการกระทำต่างๆที่เรากระทำกันอยู่ทุกวันนี้ยต่วันนี้เราทุ ก, กันแล้วเกินทุกขกับแย่งลาบยศสรรเสริญกันแย่งแย่งตำแหน่งกันทำงานอยู่ที่เดียวกันก็แย่งตำแหน่งกันแย่งแฟนกัน แย่งอะไรต่อมีอะไรกันแล้วใจเป็นยังไงใจนี่วุ่นวายใจไม่มีความสุขเนี่ยเพราะการแย่งกันนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเรื่องของความโลภของความอยากตัวที่ทำให้ใจเราวุ่นวายใจไม่มีความสุขใจอันนี้ก็เป็นเหตุของความไม่สบายใจอีกอย่างหนึง่งนอกจากการกระทำบาปแล้วก็คือความโลภความอยากนี่ พอเกิดความโลภ ก, กับความอยากขึ้นมานิใจยอยู่ไม่เป็นสุขแล้วจะทำให้ไปทำบาปต่อไปไปแก่งแย่งชิงดีกันไปด่ากันไปทะเลาะกันไปมีเรื่องมีราวกันดีไม่ดีก็มีการทุบตีกันมีทำร้ายมีการฆ่ากันตามมานี่แหละกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนี้ ถ้าอยู่เฉยๆได้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีเรื่องวุ่นวายใจกับใครทำใจให้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปใครจะมาใครจะไปก็ปล่อยเขามาปล่อยเขาไปเขาอยากจะอยู่ก็อยู่เขาอยากจะไปก็ปล่อยเขาไปจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจนี่คือผลของกรรมผลอยู่ที่ใจ ผู้กระทําก็คือใจนี่แหละเป็นผู้กระทําร่างกายเป็นเพียงแต่ผู้รับคำสั่งรับคำสั่งให้พูดรับคำสั่งให้เคลื่อนไหวทำอะไรต่างๆร่างกายไม่ได้เป็นผู้รับผลบาปผลบุญเวลาร่างกายตายไปร่างกายก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปแต่ใจนี่แหละยังไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจเนี่ยที่จะต้องไปเกิดต่อไปเป็นอะไรต่ออะไรไปสุกติหรือไปทุกขติไปสวรรค์หรือไปอบายอยู่ที่บุญที่บาปที่ทำไว้เวลาที่ตายนี้บุญกับบาปมันจะมาคิดบัญชีกันเพราะเราไม่ได้ทาบุญเพียงอย่างเดียวในชีวิตเราไม่ได้ทำบาปอย่างเดียวส่วนใหญ่เราจะผสมกัน บางวันอารมณ์ดีก็ทำบุญฮะบางวันอารมณ์ไม่ดีก็ทำบาปเนี่ยมันจะสะสมลองลองลองทำบัญชีดูเสียวันนี้ทำบุญเท่าไหร่วันนี้ทำบาปเท่าไหร่เนแล้วสิ้นปีเวลาตายเนี่ยเหมือนเวลาสิ้นปีเราก็มาคิดบัญชีดูทุกปีเราลองทำบัญชีบุญกับบัญชีบาปดู วันนี้ไปทำบุญเท่าไหร่วันนี้เสียสละทำประโยชน์อะไรให้กับใครเท่าไหร่วันนี้ไปเบียดใครไปเบียดเบียนใครวันนี้ไปโกหกใครวันนี้ไปตบยุงกีก่ตัวไปฆ่ามดกี่ตัวไปตกปลาไปฆ่าสัตว์ชนิดนั้นชนิดนี้ไปกันแกล้งคนนั้นคนนี้ไปเบียดเบียนคนนั้นคนนี้ ให้เขาเกิดความทุกข์เกิดความเสียหายต่างๆเราจดบัญชีดูนะแล้วมาบวกลบกันตอนแต่มันบวกลบยากเพราะเราไม่รู้ว่าน้ำหนักของบุญกับของบาปแต่ละอย่างมันมีน้ำหนักมากน้อยเท่าไหร่ไม่มีตาช่างตาช่างมันมีแต่มันวัดยากตาช่างคือใจเราทำบุญนานไหนที่มีความสุขมากก็เป็นบุญมาก ทำบาปอันไหนที่มีความทุกข์มากมันก็เป็นบาปมากแต่ไม่เป็นไรไม่มีบัญชีก็ได้กฎแห่งกรรมนี้เขามีบัญชีอัตโนมัติออนไลน์ยี่บสี่ชั่วโมงพอถึงเวลาตายปุ๊บมเมื่อไหร่เขาจะจ ะ, จะบอกผลทันทีว่าเหตุ ด, ดวงนี้มีบาปกี่ร้อยมีบุญกี่ร้อย แล้วจะมาบวกลบคูณหารกันถ้าบาปมีกําลังมากกว่าก็เป็นผู้ดึงใจไปใช้กรรมในอบายถ้าบุญมีกําลังมากกว่าก็ดึงผู้ดึงใจไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆอยู่ไปจนกว่าบุญกับบาปจะมาเท่ากันบุญเท่ากับบาป บุญก็ไม่สามารถดึงใจให้อยู่ในสวรรค์ได้เพราะบาปจะคอยดึงให้ไปอบายบาปก็ดึงใจไปอบายไม่ได้เพราะบุญจะคอยดึงไปสวรรค์เมื่อมันมีกําลังเท่ากันมันก็อยู่กรงกลางอยู่ระหว่างสวรรค์กับอยู่อบายที่อยู่ระหว่างสวรรค์กับอบายก็คือพบของมนุษย์เหล่านี้เวลาเรามาเกิดนี่ถือว่าบุญกับบาป ของเราในบัญชีกำลังเท่ากันอยู่ไม่ติดลบไม่ติดบวกจึงได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็เริ่มเริ่มทำบุญทำบาปกันใหม่แล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่อารมณ์นี่คือตัวที่จะทำให้เราทำบุญหรือทำบาป บางทีเหตุการณ์มันก็บีบบังคับให้เราทำบุญหรือทำบาปเช่นช่วงนี้งานกระถินเยอะสองผ้าป่าเยอะสองกระถินเยอะเห็นเหตุการณ์มันบังคับให้เราทำบุญกันไม่อยากจะทำก็ต้องทำเพราะก็ยื่นซองมาแล้วงานนี่เรียกว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์ก็บีบให้เราไปทำบาป เดีปป๋ยวปลายปีปีใหม่แต่งงานกันเยอะเลี้ยงฉลองกันเยอะบัดเชิญมาเยอะต้องไปกินเหล้าเมายากันก็เราก็เหตุการณ์บังคับให้เราดึงให้เราไปทาบาปไปดื่มสุรายาเมาแล้วเดี๋ยวก็เกิดอาการมึนเมาก็ขับรถไปชนคนตายได้ทาบาปได้อันนี้เรียกว่าเหตุการณ์พาไปบางบางทีก็เป็นอารมณ์พาไป วันนี้อารมณ์ดีมาวัดดีกว่ามาฟังเทศฟังธรรมให้สบายใจมาทําบุญท่าหน่อย น, นี่ก็อารมณ์พามาบางอารมณ์ก็อยากจะทําบาปอยากจะตอบสนองกิเลสตัณหามันอยากจะทําอะไรก็ทามันอยากจะกินจะดื่มอยากจะเล่นการพนันจากจะทําอะไรก็ทําอันนี้ก็เป็นเรื่องของอารมณ์ทาให้สามารถดึงให้ บังคับให้เราไปทำบาปทำบุญกันได้เหตุการณ์ก็ดีอารมณ์ก็ดีหรือเพื่อนฝูงก็ดีผู้ที่เราครบค้าสมาคมก็มีส่วนเราคบกับคนที่ชอบทำบุญก็จะชวนเราไปทำบุญคบกับคนที่ชอบทำบาปก็จะชวนเราไปทำบาปนี่เราจรึงทำไมเราจรึง ทำบุญทำบาปกันไปสลับกันไปสลับกันมาอันนี้เป็นเป็นลักษณะของจิตใจของคนที่เป็นแบบกลางๆางครึ่งๆึกลา ง, ง, งกา ง, กางทำได้ทั้งบุญทำได้ทั้งบาปแล้วแต่ว่าจะมีอะไรชุดดึงไปแต่มีอีกสองพวกที่เป็นพวกที่ฮาร์ดคอร์นี่พวกนี้เขาเป็นพวกเป็น ถ้าชอบทำบุญก็จะทำแต่บุญอย่างเดียวใครจะมาดึงไปทำบาปนี้ไม่ไปโดยเด็ดขาดแล้วพวกที่ชอบทำบาปก็ใครจะมาดึงให้ไปทำบุญก็ไม่ไปเหมือนกันเขาเรียกว่าพวกฮาร์ดคอร์พวกหัวแข็งพวกที่สันดานพวกนี้เป็นสันดานมีสันดานชั่วสันดานดีอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่มีสันดานดีใช่ไห พอจะให้อยู่เป็นจกักรพรรดิให้ไปทําสงครามจะได้สร้างอาณาจักรอันใหญ่โตพระพุทธเจ้าบอกฉันฆ่าไม่ชาติคนไม่ได้ท่านไม่ฆ่าท่านไม่ต้องการที่จะทําบาปท่านก็เลยท่านชอบหาความสงบหาความสุขจากความสงบท่านก็เลยไปบวชนี่เรียกว่าเป็นพวกที่มีสันดานไปในทางที่ดี ต่อให้มีเหตุการณ์ต่อให้มีอะไรมาดึงไปก็ไม่ไปจะไปในทางที่ตนเองเอชอบไปมีนิสัยใจคอไปทางนี้พวกนี้เรียกว่าเป็นพวกที่สร้างบุญบารมีมาพวกที่มีนิสัยไปในทางความดีเนียการในการทำความดีเป็นพวกที่สร้างบารมีบารมีสิบเมตตาบารมี ชอบช่วยเหลือคนไม่ชอบเบียดเบียนคนอื่นชอบให้คนอื่นมีความสุขไม่ชอบให้คนอื่นมีความทุกจากการกระทาของตนทานบารมีชอบแบ่งปันมีเงินทองมากเกินไปเหลือเฟืม้มก็จะเอาไปแจกเอาไปจ่ายให้คนนั้นคนนี้เมื่ก่อนไ ด, ได้อ่านข่าวมีงานบวชหรืออะไรไม่รู้เขามีโปรยทานหนึ่งเป็นล้านใช่ไ ที่ที่หน้าโบสเนะีเวลาธรรมเนียมเวลาบวชแล้วก็จะมีปล่อยทานนี่เศรษฐีเขาปลปรยทานเป็นเงินล้านเนี่ยเขามีเงินเขามีทานบารมีเคยเคยทำทานมาทําทานแล้วมีความสุขก็จะทําอยู่เรื่อยๆศีลบารมีก็พวกที่ไม่ชอบอทําบาปถือศีลห้าถือ ไม่ค่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายามาพวกที่มีเนคขมมะบา ร, รมีก็พวกที่ชอบไปบวชเนคขมมะนี่ก็คือการหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการหยุดหาความสุขแบบผู้ครองเรือนชอบไปหาความสุขแบบนักบวช ก็จะไปอยู่วัดกันไปปฏิบัติธรรมกันไปถือศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่บเจ็ดกันเนีพวกนี้เขาไปเขาเองไม่มีใครบังคับเขาแลอวความชอบของเขาพอเขาทำแล้วเขามีความสุขใค้ก็ไปเที่ยวเขากลับไม่มีความสุขเบือ่อ เขแต่เวลาไปอยู่วัดไปรักษาศีลไปไหว้พระสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมแล้วรู้สึกมีความสุขใจนี่ก็เรียกว่าให้ข่ำ ม, มะบารมีพอไปอยู่วัดก็จะได้นั่งสมาธิทําใจให้สงบใจสงบก็จะได้อุเบกขาบารมีอุเบกขาคือใจเฉยไม่ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่อยากได้อะไร ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับอะไรใจไม่ตื่นเต้นหวาดกลัวกับอะไรเฉยๆเวลาอยู่ในสมาธิด้วยเวลาออกจากสมาธิมาใหม่ๆจะมีเน่ฆัมมะติดตัวมาจะมีความรู้สึกสบายใจแต่ไม่นานถ้าทิ้งไว้สักพั ก, กเดี๋ยวก็ดิเลตก็โผล่ขึ้นมาได้ความโลภความอยาก ความรักความชางังความกลัวความหลงก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าไปปฏิบัติได้ปัญญาอันนี้นานๆถึงจะเจอสักครั้งปัญญาคือความรู้ของพระพุทธเจ้าความรู้วิธีที่จะทําให้ใจนี้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไปตลอดให้ใจสงบไปตลอด อันนี้ต้องเจอพระพุทธศาสนาถึงจะได้ปัญญาบารมีพระพุทธเจ้ามาเกิดขาดปัญญาบารมีมีบารมีอย่างอื่นหมดแล้วแต่ขาดปัญญาบารมีไปหาใครไปศึกษากับใครก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ใจเป็นอุเบกขาตลอดเวลาทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิหรือขณะที่ออกจากสมาธิมา ไม่มีใครรู้ก็เลยต้องไปลองผิดลองถูกเอาไปลองอดข้าวสี่สิบเก้าวันดูซิว่ากิเลสจะตายไ้ยกิเลสก็ไม่ตายเพราะกิเลสเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายเนี่ยจะตายเพราะมันไม่ได้กินข้าวตอนต้นก็คิดว่ากิเลสอยู่ที่ร่างกายก็เลยไปฆ่ากิเลสด้วยการห้ามไม่ให้กินข้าว มันก็ไม่ตายความอยากกินข้าวมันก็ยังมีอยู่ก็เลยรู้ว่ากิเลสมันไม่ดิ อ, อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจวิธีที่จะกำจัดกิเลสก็ต้องอใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาก็ค้นพบวิธีที่จะทำให้กิเลสตายก็คือต้องมองสิ่งที่กิเลสมันอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์นะ ต้องเห็นว่าสิ่งต่างๆที่กิเลสอยากได้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญสุขไม่ว่าจะเป็นร่างกายของตนเองมันมันอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ร่างกายมันอยากยังไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีอยากไปก็ทุกไปเปล่าๆในที่สุดก็สองคนพบเนี่ยว่าความ ทุกใจความรักชังกลัวหลงนี่เกิดจากความหลงที่ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราถ้าอยากให้มันเที่ยงอยากให้เป็นเป็นของเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีพอบ่งได้บ่งว่าร่างกายไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรายัางไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ปล่อยมันไป อารมณ์ที่มีอยู่ในใจมันก็ไม่เที่ยงมันก็ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันเวทนาความรู้สึกทางร่างกายมันก็เกิดแล้วก็ดับมันก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางไ ม, ไม่ละความอยากได้เพราะละความอยากได้ ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็หายไปหมดความรักชังกลัวหลงก็หายไปหมดพอเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของมันอย่างนี้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ไม่อยากให้มันเป็นให้มันดีกว่านี้ไม่ได้มันอยากให้มันเร็วกว่านี้ไม่ได้มันเป็นของมันอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลง พอเห็นอย่างนี้ก็เลยเออได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา เ, ออเนี่ยพระพุทธเจ้าขาดบารมีสุดท้ายได้สะสมบารมีอย่างอื่นมาก่อนหน้านี้หลายภพหลายชาติได้สะสมเมตตาบารมีสะสมทานบารมีออสมัยเป็นพระเวชสันดรออสะสมเนคขมะบารมีสะสมศีลบารมีสะสมอุเบกขาบารมี แต่ขาดปัญญาบสะสมบุเบขาบารมีแต่ขาดปัญญาบารมีเลยต้องมาทําต่อในชาติสุดท้ายพอได้ปัญญาบารมีก็สามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะตัวที่พาให้เวียนว่ายตายเกิดก็คือกิเลสตัณหาเนี่ยพอได้ปัญญาก็ทําลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้ ใจก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิบากของบุญการกระทำความดีต่างๆมันจะมันจะเ ล, นเลื่อนขึ้นไปตามลำดับชั้นของบา ร, รมีเนี่ยชั้นแรกเราก็มีเมตตาต่อกันช่วยเหลือกันดูแลกันไปมีเงินทองก็ทำทานแบ่งปันกันไป ศีลก็รักษาไม่เบียดเบียนกันหาถ้าอยากจะมีความสุขมากกว่านั้นก็ไปหาความสุขจากการรักษาศีล น, นั่งสมาธิกันแล้วเดี๋ยวก็จะพาเราไปสู่นิพพานในที่สุดนี่คือผลของการทําบุญทําความดีมันจะพาเราไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งปวง ความทุกข์อยู่ที่การเกิดแก่เจ็บตายนี่เองต่อให้ทำความดีขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่สามารถหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้ก็ยังต้องมารับวิบากของการมาเกิดอยู่ถึงแม้ไม่ได้ทำบาปไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นแต่ก็ทำบาปกับตนเองทำบาปด้วยความอยากอยากได้น่นอยากได้นี่มันก็สร้างความทุกข์ให้กับใจ แล้วก็ดึงใจให้กลับมาเกิดพอมาเกิดไม่มีร่างกายก็ต้องมาทุกกับการเลี้ยงดูร่างกายทุกกับการปกป้องรักษาร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกกับการพัดภาคจากกันแล้วก็มาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายถ้าไม่ได้ปัญญาบารมีจะไม่สามารถที่จะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้ ปัญญาบารามีก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเพราะพวกเราไม่ใช่เป็นคนระดับที่สามารถค้นคว้าหาปัญญาได้ด้วยตนเองต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาแล้วมาก่อตั้งพระพุทธศาสนาถ้ามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็กจะได้ปัญญาอันนี้จะได้ยินได้ฟังเรื่องอริยสัจสีเรื่องไตรลักษณ์ อันนี้เป็นความรู้เฉพาะของพุทธศาสนาไม่ว่าศ า, าสนาอื่นในโลกนี้จะไม่มีความรู้ในพระอริยาาสัจสไม่มีความรู้ในตายหลักมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะบำเพ็ญได้แค่ระดับอุเบกขาบาลมีอุเบกขาบาลมีนี้มี เกือบทุกศาสนาทุกศาสนาจะสอนให้ไหว้พระสวดมนต์ร้องเพลงสรรเสริญพระพุทธร้อง้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอันนี้ก็เป็นเหมือนกับการสวดมนต์เวลาร้องเพลงส ร, รรเสริญมันก็ลืมเรื่องวุ่นวายใจต่างๆทำให้ใจมีสมาธิมีความสงบในระดับต้นๆถ้าอยากจะมีความสงบกว่านั้นก็ต้องนั่งหลับตาแล้วก็มีอะไร กํากำกับใจมีอาจจะมีมีมีมนมีบทสวดมนอะไรสวดไปเรื่อยๆหรือบางแห่งก็ว่าใช้ลูกประคำให้นับลูกประคำจับลูกประคำไปอันนี้เป็นวิธีทำใจให้สงบให้เกิดอุเบกขาขึ้นมามแต่ไม่มีปัญญาจะมีอุเบกขาได้เฉพาะตอนที่เข้าสมาธิ ในตอนที่ออกจากสมาธิมาใหม่ๆเหมือนน้ำเย็นที่แช่ไว้ในตู้เย็นเวลาออกจากตู้เย็นมันไม่หายเย็นทันทีมันจะค่อยๆหายเย็นใจที่ออกจากสมาธิมาที่มีอุเบกขาก็ยังจะมีอุเบกขาออกมาอยู่สักระยะหนึ่งเดี๋ยวพอมีเรื่องราวต่างๆเข้ามามันก็ทำให้ใจร้อนขึ้นมา ใจที่เย็นก็ร้อนขึ้นมาอุเบกขาที่มีก็จะหายไปความรักชังกลัวหลงก็จะโผล่ขึ้นมาอันนี้จะเป็นในช่วงที่ไม่มีพระพุทธศาสนาถ้ามีนิสัยสันดานที่จะทําความดีก็จะทําความดีได้แค่ในระดับฌานบารามีอุเบกขาบารามีอย่างผู้ที่ปฏิบัติธรรมในยุคที่พระพุทธเจ้ายัางไม่ได้ตรัสรู้ เขาก็ได้ฌานกันเถอพระพุทธเจ้าไปศึกษากับอาจารย์สองลูกที่เก่งทางปฏิบัติท่านก็ได้แค่ระดับฌานได้รูปฌปานได้อารูปฌปานแต่ไม่มีปัญญาที่จะรักษาจิตใจให้สงบไปตลอดเพราะไม่มีใครรู้ปัญญาพระพุทธเจ้าจึงเสียดายตอนที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้ใหม่ๆ ตานที่จะประกาศพระธรรมคำสอนก็นึกถึงว่าใครจะเป็นคนที่ได้รับประโยชน์ก็นึกถึงครูบาอาจารย์สองรูปนี่ทีนจะเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะรับปัญญาได้ทันทีแต่ก็ได้ทราบกล่าวว่าคนหนึ่งเพิ่งตายไปเมื่อวานนี่อีกคนเขาเพิ่งตายไปเมื่อสองอาทิตย์ก่อน้วยไหมท่านก็เลยบอกว่าน่าเสียดาย เพราะว่าโอกาสของท่านที่จะได้เจอปัญญาอย่างนี้อีกครั้งก็อาจจะไม่ไม่ไม่ง่ายเพราะว่าศาสนาพุทธนี้ก็อยู่ไปไม่นานคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกได้ไม่เกิน5พันปีครูบาจารย์สองรูปตายไปเป็นพมอาจจะอยู่ในพรมโลกเป็นหมื่นปีพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ พุทธศาสนาที่มีกันอยู่ในขณะนี้ก็อาจจะหายไปหมดแล้วก็ได้เมื่อหายไปหมดม่งเหมือน ก, ก็เหมือนกับมาเกิดในยุคที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็จะมาบำเพ็ญ น, นั่งสมาธิรักษาศีลนั่งสมาธิเข้าฌานก็จะได้ในระดับนั้นถ้าท่านไม่มีปัญญาที่จะค้นคว้าหาปัญญาเองก็มาได้แค่นี้เองต้องรอเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป หรือเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปถ้าไม่ได้เจอตัวก็ต้องเจอคําสอนที่เป็นตัวแทนอย่างพวกเรานี้ไม่ได้เจอตัวพระพุทธเจ้ากันแะแต่เราเจอตัวแทนเพราะทำคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้ก็คําคสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอคอนสิร์ตคสอนที่ทําให้คนได้ปัญญาได้หลุดพ้นกันมาแล้ว จึงสามารถที่จะเอามาใช้ได้ถึงแม้ไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนด้วยปากด้วยด้วยวาจาเองแต่คาสอนที่ได้มีจดบันทึกเอาไว้นี้ก็เป็นคำสอนอันเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าจะมาส่งสอนด้วยวาจาดังนั้นถ้าเราไม่เจอพระพุทธเจ้าเรายังสามารถรับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าได้ด้วยการเข้าหาคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่ตอนนี้มีบันทึกอยู่ไว้ในพระไตรปิฎกนีพระสูตรต่างๆแล้วก็ไม่ต้องศึกษาทั้งทั้งคำพีคำพีพระไตรปิฎกนี้มีต้องแปดหมื่นสี่พันบทไม่ต้องศึกษาทั้งแปดหมื่นสี่พันบทเอาแค่สองสามบทก็พอเอาแค่ธรรมจักก็พอเอาแค่สติปัฏฐานสูตรก็พอเอาแค่มงคลอนสูตรก็พอ เอาแค่อนัตตลักษณะสูตรเนี่ยเท่านี้ก็จะสามารถที่จะ เ, เข้าใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของปัญญาได้เข้าใจว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างไรอริยสัจสีเป็นอย่างไรก็สามารถนำเอาปัญญานี้มาใช้กับการปฏิบัติเพื่อรักษาใจให้มีอุเบกขาไปอย่างถาวรได้ได้หลุดพ้นได้ น, นี่คือสำหรับพวกเราที่ไม่มีปัญญาไม่มีทางที่จะผลิตปัญญาขึ้นมาเองได้ก็ต้องรอปัญญาของพระพุทธเจ้าพบนิชานี้เป็นเป็นเป็นโชคมหาศาลของพวกเราที่ได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็ไปแล้วก็ได้เจอแต่ตัวแทนได้เจอพระธรรมได้เจอพระสงฆ์ ที่สามารถที่จะสอนให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาให้เราเห็นไตรลักษณ์ให้เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เราเห็นอริยสัจสี่ที่จะทำให้เรากาจัดความอยากต่างๆที่เป็นเหตุที่พาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันได้พวกเราจึงไม่ควรที่จะโยนของวิเศ ษ, ษไป พระพุทธศาสนานี้เป็นแก้วเป็นรัตตนะแก้วที่มีคุณค่าราคามากยิ่งกว่าเพชรนินจินดารัตนาะที่เป็นเพชรนินจินดาที่มีอยู่ในโลกนี้เพชรนินจินดานี้ซื้อได้ก็เพียงแต่ความสุขทางร่างกายหรือความสุขชั่วคราวถ้าเป็นความสุขทางจิตใจก็เป็นความสุขชั่วคราวเอ อยากจะมีความสุขจากอะไรก็ซื้อมาได้อยากจะซื้อรถก็ซื้อได้อยากจะซื้อบ้านก็ซื้อได้อยากจะซื้อเสื้อผ้าก็ซื้อได้อยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปได้ถ้ามีเพชรนินจินดาเป็นสมบัติแต่สิ่งที่ซื้อไม่ได้ก็คือการยุติการเวียนว่ายตายเกิด สิ่งที่ซื้อไม่ได้ก็คือดับความทุกข์ใจไม่ได้คนร่ำคนรวยยางร้องห่มร้องไห้เวลาต้องสูญเสียสิ่งที่รักไปสูญเสียลูกไปวันนี้ก็ได้ข่าวมีเศรษฐีที่ทาบุญทำทานอยู่เสมอก็เพิ่งเสียลูกสาวไปเสียเงินทองร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจได้แต่ถ้ามี พระรัตนตายนี่ดับได้คนที่มีพระรัตนตายคือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยเป็นผู้มีรัตนตายอยู่ในใจจะไม่ทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายของใครใครจะแก่ใครจะเจ็บใครจะตายนี่ท่านไม่ได้เดือดร้อนท่านรู้ว่าไม่มีใครแก่ใครเจ็บใครตายพูดจริงๆผู้ที่แก่เจ็บตายมันไม่เป็นอะไรมันเป็นแค่ตุ๊กตาตัวหนึ่งนั้นเอง ยันร่างกายของพวกเรานี้มันเป็นเพียงทุกกตาตัวหนึ่งแต่เราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราร่างกายของพ่อก็ไปคิดว่าเป็นพ่อร่างกายของแม่ก็คิดว่าเป็นแม่ร่างกายของลูกก็คิดว่าเป็นลูกแต่ความจริงมันไม่เป็นอ่ะมันเป็นตุ๊กตาของลูกเป็นตุ๊กตาของพ่อของแม่พ่อแม่เป็นคนเอาตุ๊กตามาเล่น มาเล่นมาพระมาสนุกกับมันให้มันพาไปเที่ยวให้มันพาเราไปทา น, น, นู่นทานี่เท่านั้นเองพอมันตายไปคนที่เล่นกับมันไม่ได้ตายไปกับตุกตาเนี่ยพระโสดาบานันคือพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี่จะเห็นจะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราตัวเราของเราที่แท้จริงก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่ ผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ไม่ใช่เป็นร่างกายผู้สั่งนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้สั่งนี้แหละเป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปต่อไปพระโสดาบันพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันจึงไม่ไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดแล้วก็รู้แล้วก็จะพยายามกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้ายังมีเหลืออยู่ เพราะท่านรู้ว่าความอยากนี่แหละเป็นต้นเหตุที่พาให้ท่านต้องทุกข์ใจกันสิ่งที่ทำให้ใจทุกข์มีสองอย่างคือการกระทำบาปทางกายวาจาใจทางกายวาจาก็คือการทำผิดศีลทางวาทางใจก็คือการกระทำด้วยกิเลสตัณหานี่ที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา อย่างอื่นไม่สามารถทําให้พระอริยบุคคลเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้แต่ถ้าไปถึงระดับพระอรหันต์แล้วก็ไม่มีอะไรจะทําให้พระอริยพระอรหันต์นี้เกิดความทุกข์ใจได้เพราะพระอรหันต์นี้กําจัดกิเลสตัณหาได้ร้อยเปอร์เซ็นพระโสดาบันนี้ได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์พระสกิรดาคามีได้สี่สิบพระอนาคามีได้ห้าสิบ พระอาหันตเนี่ยกำจัดกิเลสตัณหาได้ร้อยเปอร์เซ็นตพระานาคามียังมีความทุกข์อยู่เวลาที่เกิดกิเลสขึ้นมาพระสกิดาคามีพระโสดาบันก็ยังมีความทุกข์อยู่เวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วตัวความอยากนี่แหละมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้พระโสดาบันปฏิบัติเพื่อกำจัดเพื่อจะได้พัฒนาให้ขึ้นจากโสดาบันไปเป็นสกิดาคามี ความทุกข์ของพระสกิดาคามีก็จะกระตุ้นให้ปฏิบัติเพื่อให้ขึ้นไปสู่ขั้นอนาคามีความทุกข์ของพระอนาคามีก็จะกระตุ้นให้ปฏิบัติให้เจริญปัญญาเพื่อที่จะได้ไปเป็นพระอรหันต์ต่อไปเขาจึงมีคำพูดว่าทุกข์บอกมีปัญญาบอกเกิดเวลาเวลาไม่มีความทุกข์มันก็อยู่สบายสบายไม่ต้องคิดทำอะไร แต่พอเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา น, นี่เหมือนไฟหลนก้นนะอยู่เฉยๆไม่ไดนะ้ต้องหาอะไรมาดับไฟแล้วมิฉะนันเดี๋ยวก้นไหม้หมดอันนี้ก็เหมือนกันพระโสดาบันยังกําจัดความกิเลสตัณหาไม่ได้หมดยังมีไฟคอยลนก้นอยู่เรื่อยๆพระสกิดาคามีก็ยังมีพระอนาคามีก็ยังมีมีพระอาหารหันต์เท่านั้นที่ไม่มีไฟหลนก้นนะี่ล่ะ เพราะกาจัดไฟได้หมดด้วยปัญญานี่คือความวิเศษของพระรัตนะาใายถ้าใครมีพระลัตนะตายอยู่ในใจนี้ก็ถือว่าได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วพระัตพระรัตนะาใาภายนอกนี้อย่างไม่ไม่ได้ทําให้เราเป็นพระอริยบุคคลกัน เช่นพระพุทธรูปที่เรามีอยู่ในบ้านหนังสือธรรมะที่เรามีอยู่ในบ้านพระสงฆ์องค์เจ้าที่เราถ่ายรูปมาเก็บไว้ในบ้านพระอริยะเหล่านั้นยังเป็นพระอรัตน์ไัยภายนอกอยู่ไม่สามารถที่ที่จะมากําจัดความทุกข์ต่างๆกําจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจของเราได้เราต้องเอาพระรัตน์ไตรภายนอกนี้เข้ามาสู่ภายในใจของเรา เราต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ข้างนอกนี้เอาเข้ามาในใจวิธีที่จะเอาเข้ามาก็เอาเข้ามาด้วยการปฏิบัติเไยปฏิบัติเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติปฏิบัติตามคําสอนที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกับพระอริยสงสารวะที่ท่านได้ปฏิบัติอันนี้แหละถึงจะทําให้เราได้พระรัตนตนาไตเข้ามาภายในใจของเรา เนี่ยทำไมต้องไปบวชกันทำไมเป็นหมอต้องไปบวชเป็นแม่ชออีก็เพราะว่าอยากจะได้พระรัตนตเข้าไปในใจเออพราะตอนเป็นหมอนี่พระรัตนตยยังอยู่ภายนอกอยู่ยังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้ออแต่พอไปบวชนี่กิเลสตัณหาเริ่มวิ่งหนีกันหมดอะความทุกข์ภายในใจนี่เริ่มน้อยลงไป ความสุขใจสบายใจมีเพิ่มมากขึ้นตามลําดับไม่เชื่อลองไปถามแม่ชีดูว่าละเมอตอนที่เป็นหมอกับตอนที่เป็นแม่ชีนี่จิตใจเป็นยังไงจิตใจดีขึ้นกว่าเก่าไหมกิเลสเบาบางลงแล้วจิตใจสบายขึ้นไหมออนนี้แหละต้องเกิดจากการปฏิบัติถ้าจะเอาพระพุทธพระธรรมเข้าไปเป็นที่สารณะเป็นที่พึ่งเป็นทรัพอันประเสริฐ ต้องเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจคนบางคนสมัยนี้หลงกันคิดว่าต้องสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่โตที่สุดในโลกแล้วจะได้มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณนะเป็นที่พึ่งอันนี้ไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ขนาดไหนก็เป็นแค่วัตถุเป็นรรมาจากวัตถุท ร, รมาจากอิจากปูนจากหินเท่านั้นเอง ไม่สามารถดับความทุกข์ใจของผู้สร้างพระพุทธรูปองนั้นขึ้นมาได้แต่อย่างใดต้องเอาพุท ธ, ธะเข้ามาในใจต้องเอาเข้ามาสอนใจให้กำจัดกิเลสตัณหาวิธีที่จะเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เข้ามาก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่สุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติเต็มร้อยถึงเรียกว่าสุ ป, ปฏิปันโนสอบก็ได้สี่จุดเนี่ยถึงจะเรียกว่าสุ ป, ปฏิปันโน ถ้าปฏิบัติแค่ห้าสิบห้าสิบสอบก็ได้สองจุดนี้ยังไม่ถือว่าเป็นสุปฏิปันโนยังไม่ผ่านนะถ้าอยากจะผ่านทางศาสนานี้ต้องเป็นสุปฏิปันโนต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องปฏิบัติได้ร้อยเต็มร้อยก็คือต้องปฏิบัติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับถึงจะเรียกว่าสุปฏิปันโนถ้าปฏิบัติบางช่วงบางเวลา เวลาอื่นก็ให้กิเลสมันปฏิบัติแทนอย่างนี้มันก็เลยไม่มีวันที่จะเป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วได้เวลาที่เราปล่อยให้กิเลสมันปฏิบัตินี่เป็นไงวุ่นวายไหมพอให้กิเลสออกมาปฏิบัตินี่ใจเราวุ่นวายเลยห่วงคนนั้นห่วงคนนี้โกรธคนนั้นโกรธคนนี้เกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้อันนี่คือผลงานของกิเลสตัณหา ถ้าเราปล่อยให้กิเลสตันหาปฏิบัติมันจะสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราไม่รู้จักจบจากสิน้นถ้าเราเอาเอาธรรมะของท้าเจ้ามาปฏิบัติเริ่มด้วยสติเติ่นขึ้นมาก็ควบคุมใจด้วยสติเลยควบคุมกิเลสด้วยสติเลยอย่าปล่อยให้กิเลสออกมาเพ่นพ่านพุโทโธพุโทโธพุโทโธคอยดันมันเอาไว้อย่าปล่อยให้ออกมาโลภมาโกรธมาหลง อยากปล่อยให้มันมาอยากได้นู่นอยากได้นั่อยากได้นูน่นอยากได้ น, น, ดนี่อยากมีนั่นอยากมีนี่ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสุปฏิปันโนถ้าสามารถคุมกิเลสได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเนี่ยกิเลสไม่มีโอกาสที่จะมาเพ่นพ่านได้นี่อันนี้แหละจะทาให้ได้ผลน้อยเปอร์เซนตถ้าคุมกิเลสได้ก็จบนะ การปฏิบัตินี้ก็มีเป้าหมายอยู่ที่กำจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจให้มันหมดสิ้นไปเท่านั้นเองกิเลสด้วยกำจัดด้วยสติกำจัดด้วย ส, วยสมาธิกำจัดด้วยปัญญาตอนต้นก็ใช้สติเบรกมันไว้ก่อนหยุดมันไว้ก่อนแล้วก็เข้าอาศัยสมาธิทับมันเอาไว้กดมันเอาไว้เวลาเข้าไปในสมาธิก็จะหยุดกิเลสได้นานกว่า ถ้าหยุดด้วยสติพอเพลสติปั๊บนี่กิเลสมันก็พลิกขึ้นมาได้ทันทีแต่ถ้าเข้าไปในสมาธิกิเลสมันก็จะถูกกดไว้นานกว่าแต่ก็ยังโผล่ขึ้นมาได้ออกจากสมาธิดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวกิเลสมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้กิเลสมันตายเวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาจะเป็นคนคอยถอนรากถอนโคนของกิเลสตัณหา เหมือนกับถอนรากโคนของต้นหญ้าต้นหญ้าเวลาเราหินไปทับไว้มันจะไม่งอกแต่พอเรายกหินออกเดี๋ยวมันได้น้ำมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้มันไม่งอกก็ต้องไปถอนรากของมันไม่ต้องเอาหินไปทับให้เสียเวลาถอนรากมันขึ้นมาเลยพอรากมันขึ้นมาจากดินแล้วทีนี้ต่อให้มันโดนน้ำฝนมากน้อยเพียงไรมันก็ขึ้นมาไม่ได้แหละมันตาย กิเลสตัณหาจะตายก็ต้องตายด้วยการถอนรากถอนถอนโคนของกิเลสรากเง่าของกิเลสก็คือโมหะอวิชานี่เองความหลงความไม่รู้ว่าทำไมเราจึงโลภ ก, กันทำไมเราจึงโกรธกันทำไมเราถึงอยากได้นูน่นอยากได้นี้ก็เพราะเราไม่ไม่เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์นั่นีเราไปหลงผิดไปเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นสุขกัน แต่มันพอได้มาแล้วมันกลายเป็นความทุกข์กันไปทุกทีได้แฟนมาแล้วดีใจกันไม่กี่วันเดี๋ยวก็มามีเรื่องมีราวกันมีปัญหากันเดี๋ยวก็มาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันนี่เพราะไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญามันต้องเห็นตัวอย่างเมือคนที่เขาแต่งงานกันเขาอยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวเขาก็ตีกันเห็นไหมทะเลาะกันมีอยู่แทบทุกแห่งทุกคนถ้าไม่มองไม่เห็นกัน เวลาตอนเ้อยากจะมีแฟนขึ้นมาเลยไม่หมดว่าจะต้องเป็นเหมือนเขากลับไปมองในภาพยนตร์ว่าจะอยู่กันไปตลอดตอนภาพยนตร์จบนี่พระเอกอยู่กับนางเอกไปจนอาวสานของชีวิตเนี่ยแต่เไม่มีภาคสองภาคสามตามมานี่ถ้ามีภาคสองภาคสามเดี๋ยวก็จะเห็นปัญหาต่างๆที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันเดี๋ยวก็ต้องมีความเห็นไม่ตรงกันเดี๋ยวต้องทะเลาะวิวาทกัน ต้องหึงหวงกันต้องห่วงกันนานาประการเป็นความทุกข์ที่ถ้าไม่มีปัญญาจะมองไม่เห็นถ้ามีปัญญาจะเห็น่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นอย่างนี้มันดีต้นแต่มันจะเร็วตอนปลายไม่ต้องปลายแล้วพอดีต้นๆเดี๋ยวไม่กี่วันก็เริ่มไม่ดีแล้วของต่างๆที่ได้มามันดีตอนช่วงใหม่ๆเข้าใหม่ปลามันเดี๋ยวไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ กลายเป็นเข้าตังตาแห้งไปอนนี่คือปัญญาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี่มันจะพลิกไปเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจะต้องมีวันที่จะต้องเปลี่ยนไปหมดไปนั่นเองพอเวลามันเปลี่ยนไปหมดไปก็นี่แหละ ความสุขที่เคยได้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ก็จะหายไปกลายเป็นความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่สบายใจตามมาแต่ถ้าไม่คิดบ่อยๆเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยมาฟังเทศการได้ยินได้ฟังเดี๋ยวพอออกจากที่นี่ไป mm hmm. เห็นของที่อยากได้ก็ลืมไปแล้วว่ามันจะเป็นทุกข์เห็นแฟนที่อยากจะได้ก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นเขาจะมาทําให้เราทุกข์แล้วคิดว่าเขาจะทําให้เราสุขอย่างเดียว มันต้องไปเห็นกับเราะมันต้องเห็นจากการปฏิบัติจากการไปเจอของจริงมานั่งคิดทางทฤษฎีนี่มันยังไม่เชื่อต้องไปหลังน้ำตาก่อนเหมือนคำที่เขาพูดว่าไม่เห็นลงศพน้้าน้ำตาไม่หลัง่งไม่ไหล ต้องไปเห็นลงศพเนี่ยพปเห็นลงศพนี้น้ำตาไหลยคยอออกมาเลยแต่ตอนที่พูดว่าตอนนี้ต่อไปจะต้องตายนะจะต้องพัดภาคจากกันนะไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อว่าจะเกิดต้องไปเห็นลงศพเนี่ยทีนี้ก็ร้องหผมร้องไห้กอดลงศพกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยชีวิตของคนเราปัญญามันไม่ถึงปัญญามันไม่ทั น, นมันคิดไม่ถึงคิดไม่ทัน ถูกกิเลสมันคิดแย่งไปก่อนย่างไปคิดว่าของเราไม่เป็นไรหรอกของเราจะต้องอยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆจะไม่มีเป็นแบบเหตุการณ์แบบนี้หรอกจะคิดอย่างนี้กันทั้งนั้นแต่พอไปเจอของจริงขึ้นมาก็สายที่สายไปเสียแล้วตกหลุมไปแล้วให้เชื่อพระพุทธเจ้าเถิดบอกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์อย่าไปอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมัน ของที่เป็นความสุขก็คือความสงบเนี่ยไปยุ่งกับบันเทิงไม่มีโทษให้ไปติดสุขจากการนั่งสมาธิเถอไม่มีโทษไม่มีภัยอย่าไปติดสุขกับคนนั่นคนนี้กับสิ่งนั่นสิ่งนี้เพราะมันจะกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาต่อไปเพราะมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องหมดพอหมดแล้วมันก็จะทำให้เราทุกข์กันถ้าเรายัง อย่างคิดเองไม่ได้ก็ให้เชื่อพระพุทธเจ้าไปก่อนก็ได้แต่ก็ไม่เชื่ออีกละเพราะเวลากิเลสมันมักกระซิบในหัวดีนะคนนั้นเขาดีอย่างนั้นคนนี้ก็ดีอย่างนี้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็อยากได้ขึ้นมาเดี๋ยวอพอไปรับตำแหน่งหรือเจ็บ ป, ปวดหัวขึ้นมาเลยโอ้ยเมื่อก่อนนี้อยู่แบบเป็นลูกน้องสบายไม่ต้องมีภาระรับผิดชอบพอมาเป็นหัวหน้านี้งานอะไรเข้ามาไปหมดเ อ, อ ต้องคอยดูแลรับผิดชอบคนนู้นทถวนี้ทำผิดตอแเราก็โดนทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้เป็นคนทำผิดแต่ลูกน้องทำผิดเราก็โดนอกีกหาว่าไม่ควบคุมลูกน้องอีกมีแต่เรื่องปวดหัวมากขึ้น ยิ่งเป็นใหญ่เป็นโตมากขึ้นยิ่งปวดหัวมากขึ้นยิ่งทุกมากขึ้นแต่ไม่มองมอ ง, มองตรงที่รางวัลได้รับจากการตำแหน่งโอ้ได้เงินเดือนมากขึ้นมีลูกน้องมากขึ้นมีเครื่องใช้ไม้สอยมากขึ้นมีรถประจําตําแหน่งมีที่จอดรถประจําตําแหน่งเอหมือนกับไปมองไอ้ตรงนั้นเสียมันก็เลยหลงคิดว่าการได้อะไรมาแล้วจะมีความสุข แต่ด้านที่เป็นความทุกข์นี่มองไม่เห็นไม่ยอมมองกันคิดไม่เป็นอันนี้ต้องมองว่าทุกอย่างที่มานี่มีอะไรแล้วจะต้องทุกข์กับสิ่งที่มีเสมอไม่มีละดีที่สุดมีตําแหน่งก็ต้องทุกข์กับตําแหน่งมีเงินก็ต้องทุกข์กับเงินมีคนมีแฟนก็ต้องทุกข์กับคนกับแฟนมีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกไม่มีอะไร่ะดีที่สุดไปบวชดีที่สุด แต่ไปไม่ได้กันดัดกิเลสไม่ได้สู้ไม่ไหวเพราะอยู่คนเดียวไม่เป็นอยู่แล้วเหงาอยู่แล้วว้าเหวเพราะยังไม่มีสติพอที่จะหยุดความอยากที่ผลิตความเหงาความว้าเหวขึ้นมาแต่ถ้าพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆวันหยุดแทนที่จะไปเที่ยวก็ไปอยู่วัดไปฝึกสติกันต่อไปสติจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นและจะทาให รู้ว่าอยู่คนเดียวไม่เหงาอยู่คนเดียวกับมีความสุขมากกว่าอยู่กับหลายหลายคนแล้วต่อไปก็จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะตัดได้ก็จะไม่มีทุกข์ตามมาทุกข์มันอยู่ที่สิ่งต่างๆนี่เองถ้าไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้จะไม่ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายนี่แหละ เป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าที่นานๆจะมีปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ให้พวกเรามาอาศัยมาใช้เป็นปัญญาของเราต่อไปด้วยการเอามาพิจารณาเอามาปฏิบัติตามถ้ารับพิจารณาแล้วปฏิบัติตามได้เราก็จะสามารถกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไป ก็อยู่คนเดียวอยู่โดยที่ไม่ต้องมีอะไรได้อยู่โดยที่ไม่ต้องมาเกิดได้นี่คือเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าเพชรนินจินดาที่มีอยู่ในโลกนี้ต่อให้มีเพชรนินจินดากองเท่าภูเขาก็ดับความทุกข์ในใจไม่ได้แต่ถ้ามีพระรันาตนตรัยอยู่ภายในใจ สามารถดับความทุกข์ทั้งหมดได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะเอามาช่างตวงดูว่าอันไหนเป็นของที่วิเศษกว่ากันและเพื่อที่เราจะได้เลือกตัดสินใจได้ถูกไม่เอาดีกว่าเพชรนิมจินดาภายนอกมีเท่าไหร่ก็ยังต้องร้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจยังต้องทุกข์ยังต้องวิตกกังวลสู้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนาตรัยอยู่ในใจดีกว่า มีแล้วไม่มีวันทุกข์อีกต่อไปจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ก็ต้องไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องไปศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าศึกษาวิธีปฏิบัติของพระอริยสงสาวกว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรเมื่อรู้แล้วเราก็เอาทาตามที่ท่านปฏิบัติทาตามที่ท่านสอน พอเราทำได้เราก็จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เราก็จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ก็เป็นเป็นการทำบุญนี่เองละเว้นการกระทำบาปใจก็จะไม่ต้องไปรับโทษรับทุกข์ กับการกระทำต่างๆกับการกระทำบาปกับการกระทำตามความอยากต่างๆใจก็จะได้มีความสุขอย่างเต็มที่ที่เรียกว่านิบานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมลมสุขนิพพานก็คือใจที่ปาสะจากกิเลตันหานี่เองที่เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อขอให้ท่านจงนำเอากฎแห่งกรรมนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรอยาทาวาเรวาหาปุราปปริกปุเรนติสาคัง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 สัพเพปเรนตุสังกาปายันโทปันาราโสยธาเมณิโชติอราโสยธาสัพพิตโยวิวาจานตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตรายสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานสีลิสานิจังวุทา จายโนจตารธรมมวัานติอายุวันโสุขังภาลวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร o อยเก้าสิบ g 4ดยูสอง้อสิเจ็ดอีส วิทยุออนไลน์สาสิบเอ็ดรับฟังข้างบนนี้ยี่สิบเกคนรวมทั้งหมดห7ร้อยเจ็ดสิบเก้าครับอัจจีเหลือแค่สีนะจริงๆถ้าคนเข้ามามันเยอะกว่านี้ครับแต่ อ, อันนี้คือดูแบบดูจริงๆมีสีครับมีสีครับดูแป๊บๆแล้วก็ไปไนะครับแล้วเดี๋ยวพอวลาพรุ่งนี้ก็จะเช็คได้ว่าที่มาดูอีก เป็นกี่คนนะอ่าอันนี้เขามีเซฟไว้ได้เลยมีครับดูดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้หนึ่งวันครับออหนึ่งวันนันเองครับแล้วก็จะลบทิ้งเลยใช่ครับซื้ u ู u b e กับเฟ e b o o กไม่ไดนะ้เก็บไว้นานอ่ะมีคำถามเข้ามาหยิบเอาไมโครโฟนไปพูดใกล้ๆปากนะ่ยไมโครโฟนครับพระอาจารย์คือเวลานั่งสมาธิแล้วบริกรรมพุโทโธครับ แล้วสักพักหนึ่งคําบริกรรมหายครับาอาจารย์เราจะต้องทํายังไงต่ออย่ า, ยาให้มันหายเลยมันว่าเราหยุดมันก็หายเลอย่าไปหยุดมันเลยก็พูดโทไปเรื่อยแต่มันนึกไม่ออกนะครับ <c oughs> บางช่วง <laughs> ถ้าไม่ออกถ้ามันมีสติก็ให้รู้เฉยๆดูว่ามันคิดหรือไม่คิดถ้ามันไม่คิดก็ให้มันรู้เฉยๆไปอแต่อย่าไปรู้กับอะไรให้รู้อยู่กับความว่าง ถ้ามันไปเห็นนู่นเห็นนี่อย่าไปตามรู้ดึงดึงใช้พุทโธดึงกลับมาถ้ามันพุทโธพุทโธแล้วมันหยุดพุทโธแล้วมันนิ่งสงบมันไม่คิดอะไรไม่เห็นอะไรก็ให้รู้อย่างนั้นไปแต่ถ้ามันเริ่มเห็นนู่นเห็นนี่แล้วเริ่มไปตามติดตามอย่างนี้ก็ต้องใช้พุทโธดึงมันกลับมาอย่าไปตามรู้กับอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นอะไรก็อย่าไปสนใจ เราต้องการให้ใจอยู่นิ่งๆเฉยๆให้อยู่ในความสงบถ้ามันสงบมันก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ครับถ้ามันไม่สงบก็ต้องพุโทโธใหม่ครัขบขอบพระคุณครับอาจารยม์มีใครอยากจะถามไหมคําถามจากทางบ้านนะครับจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะคนที่ทําผิดหรือทําบาป แรกๆเขาจะรู้สึกผิดในใจเป็นอัตโนมัติทุกคนไหมคะแต่พอทำผิดบ่อยๆเขาจะชินกับสิ่งที่ทำไปเองจนไม่รู้สึกว่ามันผิดหรืออันนี้ขึ้นกับว่าคนคนนั้นมีหิหริโอตปะในใจไหมมันจะทำมันมันมันมีผลอนะคือทำผิดแล้วมันไม่สบายใจทั้งนั้นเนพะียงแต่ว่ามัน จะด้านกับความรู้สึกนั้นหรือไม่ถ้ามันด้านก็ช่วยไม่ได้มันก็เป็นเป็นเรื่องของจิตใจของแต่ละคนแต่มันยังไงก็จะต้องมีผลที่จะเกิดขึ้นกับใจเช่นเวลาที่มันนอนหลับเนี่ยมันฝันร้ายเนี่ยมันห้ามมันห้ามไม่ฝันร้ายไม่ได้บางทีฝันร้ายแบบเงือแตกตื่นขึ้นมาแบบเงือแตกก็มี เเวลาที่มีสติเวลาที่ยังไม่หลับหรือยังไม่ตายนี่มันยังอาจจะห้ามจิตห้ามใจได้แต่เวลาที่มันตายเวลาที่นอนหลับนี่ไปห้ามจิตห้ามบาปที่จะมาแสดงผลไม่ได้กราบนระรมสการพระอาจารย์ครับมีคำถามว่าถ้าเราทำวิปัสสนานี i จะต้องมี ยานใช่ไหมครับถึงจะทาวิปัสนาได้มีฌานมีสมาธิก่อนครับถ้าไม่มีฌานมันไม่มีไม่มีกลังที่จะดึงใจมาคิดทางวิปัสนาใจมันจะคิดไปทางกิเลสเป็นส่วนใหญ่คิดไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคิดถึงรูปเสียงกลิน่นรสให้มันมาคิดทางอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดทางอสุภะนี่มันไม่คิดแต่ถ้าใจสงบแล้วมันก็จะไม่มีกิเลสดึงไปทาง ทางทางกิเลสเราก็สามารถดึงใจให้มาคิดทางปัญญาแล้เพื่อจะได้สอนใจให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราจะนึกเอาไม่ได้ใช่ไหมครับผมมันไม่มีกำลังจะนึกถ้าให้เลือกระหว่างหนังสือแฟชั่นกับหนังสือซากศพนันจะดูไหน ใช่ไหมในอินเทอร์เน็ตเนี้จะดูซากศพก็ได้จะดูหนังสือแฟชั่นก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะไปดูแต่พวกแฟชั่นดูพวกคอนเสิร์ตได้ไปเปิดดูอนาตอมีไม่ยอมดูเคยดูเมื่อไม่ยอยู่ในอินเทอร์เน็ตถ้าไมันไม่เคยเพราะมันไม่เคยคิดจะไปทางนั้นมันคิดจะไปแต่ทางบันเทิงทางมโหัศลศพไปคิดไปทางความจริงไม่ยอมไป ปัญญามไม่ไปมันยังไม่ไปทางปัญญาไม่ยอมมองคนตายไม่ยอมมองคนเจ็บไม่ยอมมองคนแก่ชอบมองแต่คนหนุ่มคนสาวแต่ท่านฝึกนั่งสมาธิแล้วมันใจมันจะเป็นกลางจะเฉยเฉยมันไม่ไปทางใดทางหนึ่งต้องใช้ปัญญาดึงไปมันถึงจะไปแต่จะไม่มีอะไรมาคอยขวางถ้าจิตสงบแล้วจิตออกจากสมาธิมาจิตจะเป็นกลาง จะไม่ไปทางใดทางหนึ่งจะไปมันก็ไม่ไปทางปัญญาเราต้องดึงมันมันถึงจะไปแต่มันจะดึงง่ายกว่าตอนที่ไม่มีไม่มีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิออกมาจากสมา ถ, ถ้าไม่มีสมาธินี้กิเลสมันจะดึงไปทางกิเลสตลอดเวลาต้องมีสมาธิที่เพียงพอใช่ไหมคะทำให้กิเลสมันหยุดมันหมดกำลังที่จะดึงใจเราไปคิดทางกิเลสได้แล้วเราก็จะได้เอาปัญญา ทางของพระตถาจ้าขึ้นมาได้ดึงขึ้นมาให้มาศึกษาทางปัญญาได้ครับผมกราบขอบพระคุณครับพอเราศึกษาเราก็จะเห็นความจรงิงพอเห็นความจรงิงเราก็จะตัดกิเลสตัณหาได้คําถามต่อไปจากทางบ้านนะครับคุณธีรชาติกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าพระโสดาบันพระสกิตาคามีที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีบุญและบาป เท่ากันพอดีเหมือนกันใช่ไหมครับไม่หรอกถ้าเป็นพระโสดาบันพระสกิฎาคามีนี้ท่านท่านมีมีบุญมีปัญญาแต่ท่านยังสู้กิเลสความอยากไม่ได้ความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายไม่ได้อยู่แต่บาปไม่มีกำลังที่จะดึงท่านไปเกิดในอบายได้ถึงแม้จะมีเคยทำบาปมาในอดีต บาปเก่าที่ทำไว้จะไม่มีกำลังที่จะดึงท่านไปทางอบายได้เพราะท่านมีปัญญาที่จะที่จะฝืนบาปได้ท่านจะมีปัญญาดึงให้มาเกิดเป็นมนุษย์กิเลสจะดึงมาให้เกิดเป็นมนุษย์เพราะยังอยากจะเสพกามอยู่ยังมีมีกามราคะยังอยากจะมีแฟนอยู่คำถามต่อไปจากคุณนรงศักดิ์กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ เรื่องพิจารณาอสุภะทำสมาธิให้เห็นเป็นอสุภะหรือเปล่าครับผมหลับตาแล้วไม่เคยเห็นอะไรเลยครับอ๋อทำสมาธินี่ไม่ได้ให้เห็นอสุภะทำสมาธิให้จิตสงบให้ว่างให้เห็นความว่างให้เห็นผู้รู้สักแต่ว่ารู้นไม่ได้ให้ไปเห็นสวรรค์นรกไม่เห็นอสุภะไม่ให้เห็นอะไรทั้งนั้นถ้าเห็นก็อย่าแสดงว่ายังไม่สงบต้องสงบมันถึงจะไม่เห็นอะไร จะเห็นอุเบกขาว่าเป็นอย่างไรจะเห็นว่าผู้รู้เป็นอย่างไรจะเห็นว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่เห็นตอนที่เราจิตสงบเป็นสมาธิคำถามต่อไปจากคุณจินคอบกราบนมัสการครับการดับตัณหาด้วยทานกับด้วยปัญญาต่างกันอย่างไรครับออถ้าปัญญามันก็ดับอย่างถาวร ถ้าดับด้วยทานมันก็มันก็ตัดกําลังลงแต่มันไม่ตายอย่างถาอ่อนบางทียังอยากจะได้ข้าวของสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ถ้ามีเงินก็บางทียังอาจจ ะ, อะขอแบ่งจากเอามาทําทานมาทําบุญบ้งางเอามาซื้อของที่อยากได้บ้างหรือไปเที่ยวบ้างอย่างญาติโยมช่วงกระถินเนี่ยก็ไปทํากรถินกันแต่ก็ช่วงที่ไปทํากรถินก็ขอแวะเที่ยวด้วย คนส่วนใหญ่ที่ไปทำกระถินต่างจังหวัดก็เพราะว่าจะได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยได้ทำบุญด้วย mm hmm. ก็ยังไม่ถ้าเป็นปัญญาก็ตรงไปทำบุญอย่างเดียวแล้วบางทีไม่ต้องไปถ้าถ้าปฏิบัติอยู่ในวัดก็กดมือถือโอนเงินไปเลย mm hmm. <laughs> จบ <laughs> ถ้าเห็นว่าเงินนี่มันเป็นพระละ mm hmm. เป็น เป็นภาระต้องกังวลต้องมาคอยดูแลรักษาเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็โอนให้วัดให้ที่เขาต้องการไปใจจะได้สบายนี่ทำบุญด้วยปัญญาแบบนี้อย่าไม่มีความอยากจะใช้เงินซื้อความสุขอีกต่อไปคำถามต่อไปจากคุณชุติมากราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะทำความรู้ตัวที่จุดกึ่งกลางหน้าอก มีบริกรรมพุทโธบ้างรู้สึกใจสงบสบายขึ้นอารมณ์ที่เคยเกิดขึ้นเช่นฟุง้งปรุงเบือ่อเหงาหงอยกลัวไม่เห็นอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆจากเดิมมีบ่อยอ ย, อยเจ้าคะ่ะอันนี้ทำถูกต้องไหมเจ้าคะก็ถูกถูกเท่าที่ทำอยู่แลยแต่มันยังไม่เข้าสู่ความสงบได้เต็มที่ ก็ต้องดูว่าทำแบบนี้จะทำให้จิตรวมเข้าสู่สมาธิได้หรือเปล่าอาจจะทำให้จิตหายฟุง้งซ่านให้จิตสงบในระดับหนึ่งแต่มันพอเพียงหรือไม่ถ้าไม่พอลองเปลี่ยนมาดูที่ปลายจมูกดูดูที่ลมหายใจเข้าออกแล้วอย่าไปคิดอะไรไม่ต้องมีอะไรมากำกับลมหายใจไม่ต้องพูยเข้าโทออกให้ดูเฉยๆดูว่ามันเข้าดูว่ามันออกเพ่งดูคิดอย่าไปคิด คำถามต่อไปจากคุณสุปราณีถือสินแปดสามีเปิดเพลงแล้วเราได้ยินผิดสินหม่เจ้าคะและถ้าเราฟังทมอยู่แล้วออกกำลังกายไปด้วยอันนี้ผิดสินแปดหมายเจ้าคะไม่ผิดหรอกถ้าเราไม่เป็นคนตั้งใจจะฟังเปิดเองฟังเองแต่การถ้าออกกำลังกายแล้วเปิดธรรมะไปด้วยก็ไม่ได้ประโยชน์ เท่าที่ควรถ้าอยากจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมก็นั่งเฉยๆไปจะดีกว่าถ้าจะออกกำลังกายแล้วเปิดไปด้วยก็ได้แต่มันมันไม่มันอาจจะดูแล้วไม่เหมาะสมด้วยมันไม่เป็นความเคารพการฟังธรรมนี้เหมือนกับการเข้าห้องเรียนไม่ใช่เข้าไปห้องเรียนแล้วไปเต้นแอโรบิกให้ครูคอยพูดคอยสอน เพราะว่าเวลาเต้นแอโรบิกออกกำลังกายมันจะไม่ได้ตั้งใจฟังร้อยเปซมันจะไม่ได้ประโยชน์ยั้นเอาทางใดทางหนึ่งดีกว่าถ้าจะออกกำลังกายก็ให้มีสติอยู่กับการออกกำลังกายมันจะได้ร้อยเปซได้สติร้อยเปซได้การออกกำลังกายร0อซนถ้าอยากจะฟังทำก็ต้องหยุดทุกอย่างนั่งเฉยเฉยไม่พูดไม่คุยไม่ทาอะไรไม่คิดอะไรนถึงจะได้ ประโยชนจากการฟังธรรมอย่างเต็มที่แล้วมันก็จะดูว่ามันไม่ไม่เสียวความเคารพด้วยคำถามต่อไปจากคุณสุทัศนีกราบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องความฝันค่ะลูกฝันว่าได้ไหว้พระอริยสงฆ์รูปหนึ่งซึ่ง ท่านได้ละสังขารมาแล้วลูกจําความฝันนี้ได้แม่นยําก่อนฝันไม่ได้คิดถึงท่านเลยเจ้าค่ะจึงเกิดความสงสัยว่าฝันถึงท่านได้อย่างไรและจัดเป็นฝันดีใช่ไหมคะก่อนที่จะฝันเป็นช่วงใกล้กับงานบวชของคุณพ่อซึ่งได้เป็นลูกได้เป็นเจ้าภาพงานบวชและสนับสนุนให้พ่อได้บวชพระค่ะถ้าฝันแล้วมีความสุขก็เป็นฝันดีถ้าฝันแล้วทุกข์ก็เป็นฝันร้าย ถ้าอยากจะได้ประโยชน์จากความฝันก็มาพิจารณาดู ว, ว่าเอาไปทําประโยชน์ได้หรือเปล่าถ้าทําไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีประโยชน์อะไรก็อย่าไปสนใจมันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วให้มาสนใจกับปัจจุบันว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ดีกว่าว่าทําเราทําบุญหรือทําบาปดีกว่าอย่ามัวไปกังวลกับอดีตที่ผ่านมาว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันดีหรือไม่ดีมันผ่านไปหมดแล้ว ถ้าเราเอามันมาทำประโยชน์ไม่ได้ก็อย่าไปย้อนอดีตดีกว่าให้อยู่ในปัจจุบันดีกว่าคำถามต่อไปจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วปฏิบัติตลอดเวลาคือการมีสติในทุกอริยาบทตั้งแต่ตื่นจนหลับใช่ไหมคะอันนี้เริ่มต้นต้องมีสติก่อน มีสติมากมากแล้วก็นั่งให้เยอะนั่งเข้าสมาธิบ่อยๆเข้าทีละเป็นชั่วโมงชั่วโมงพอได้สมาธิมากๆชำนาญแล้วทีนี้ก็พิจารณาปัญญาตลอดเวลาเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิพิจารณาใจรักพิจารณาอาสุภะพิจารณาปฏิกูนของอาหารเป็นต้นพิจารณาธรรมะเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาก็เป็นขั้นของปัญญา มันมีสามขั้นขั้นสติก็ต้องฝึกมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาพอมีสติพอเข้าสู่ขั้นสมาธิได้ก็นั่งเยอะๆนั่งบ่อยๆออกมาแป๊บนึงออกมาฉี่แป๊บก็กลับไปนั่งใหม่ออกมากินน้ำแป๊บแล้วก็กลับไปนั่งใหม่ออกมาทำงานแป๊บก็กลับไปนั่งใหม่พอมีอะไรต้องทำก็ทำพอไม่มีอะไรทำก็ไปนั่งสมาธินี่อยู่ขั้นสมาธิจะเป็นอย่างนี้ พอผ่านขั้นสมาธิแล้วทีนี้พอขั้นปัญญาก็เวลาไม่ได้เข้าสมาธิก็พิจารณาตายรักพิจารณออาอสุภะตลอดเวลาฆ่ากิเลสตลอดเวลาหยุดความอยากตลอดเวลานี่เรียกว่าขั้นปัญญามีสามขั้นด้วยกันในการปฏิบัติคำถามต่อไปจากคุณชรินทิปกราบเรียนถามค่ะหนูไปใส่บาต พระที่วัดทุกวันลงสื่อ a ฟ e b o ๊ k ให้เพื่อนอนุโมทนากันมีเพื่อนบางคนทักว่าทําไมต้องไปทุกวันและหาว่าเราสร้างภาพเลิกคบกันไปเลยก็มีค่ะหนูเลยคิดว่าหรือที่เราลงสื่อในการทำความดีนั้นไม่เหมาะไม่ควรหรือเจ้าคะความจริงไอ้สื่อพวกนี้อย่าไปเล่นกับมันดีกว่ามันเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเรื่องของอัตตาตัวตน อยากจะให้เขารู้ว่าเราทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นเป็นการโฆษณาตัวเองแล้วอาจจะมีโทษกับตนเองเพราะคนอื่นเขาเห็นแล้วก็อาจจะหมั่นไส้เราก็ได้ด <c oughs> ังั้นไม่ต้องไปลงถ้าจะใช้สื่อพวกนี้ใช้เพื่อเผยแผ่ความรู้ดีกว่าเนี่ยอย่างเราก็ใช้เผยแผ่ธรรมะตอนต้นก็มีลูกศรริษย์ลูกหาบางคนก็มาว่าหลวงพ่อทำไมมาเล่นโซเชียลมอนญาติโยมมาเล่นเฟซบุ๊ก เราไม่ได้เล่นเราไม่ได้เป็นคนเปิดลูกศิษย์ก็เปิดแต่เราไม่ได้เอามามาทําแบบที่คนเขาใช้ Facebook ทํากันมาป้ามามาบอกมาเล่าเรื่องของตนอันนี้เราเอามาเป็นสื่อเผยแผ่ธรรมะเพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงคนได้มากได้เร็วกว่าการพิมพ์หนังสือพิมพ์หนังสือคนต้องมาที่วัดมารับหรือไม่งั้นต้องส่งไปทางไปรษณีย์ นี่สมัยนี้สามารถเข้าถึงปุ๊บเลยถ่ายทอดสดได้แต่เขาก็เขาก็ไม่ชอบเราเขาก็เสื่อมศรัทธาก็มี เ, เราเล่นเฟ e บ o ๊ k เป็นพระไม่ควรที่จะมีเฟซบุ๊กเขาก็คิดไปตามภาษาของเขาแบบคิดด้านเดียวคิดไม่รอบครอบ <c oughs> ก็ถูกถ้าเป็นถ้าเอาเฟซบุ๊มาใช้แบบญาติโยมมันก็ไม่เหมาะเป็นพระแล้วมีเฟ e บ o ๊ k แบบนั้นก็ไม่เหมาะ ถ้าเป็นพระเอามาใช้เป็นสื่อถ่ายทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ไปอย่างกว้างขวางอันนี้ก็ไม่เสียหายตรงไหนคำถามต่อไปจากทางอินบ็อกซ์คุณจตุรนกราบนมัสการหลวงปู่ครับ เมื่อหลายเดือนที่แล้วกระผมนอนภาวนาพุทโธส่วนมากนอนภาวนาแล้วจะหลับไปเลยแต่ครั้งนั้นเหมือนกับดึงพุทโธแต่ล่อมเข้ามาแล้วคิดอะไรก็พุทโธเข้ามาเรื่อยแล้วเคลิ้มเหมือนจะหลับแล้วเกิดหยุดกึกแน่นมากครับที่หน้าอกแบบปีติเกิด ปิติอิ่มร้องเกือบทั้งคืนครับอยากถามหลวงปู่ว่าเป็นความฝันหรือความจริงครับจะถือเป็นแนวทางปฏิบัติครั้งต่อไปได้ไหมครับก็ลองดูสิลองดูทำต่อไปดูว่ามันจะหลับหรือไม่หลับ <c oughs> ถ้าหลับก็ใช้ไม่ได้ถ้านอนนี่มันจะเป็นท่าสบายมันจะหลับมากกว่าเข้าสู่ความสงบแต่ถ้าเราสามารถเข้าสู่ความสงบได้ทุกครั้งก็ใช้ได้ คำถามต่อไปจากคุณสิริพันธ์การนั่งสมาธิแบบโยกตัวไปด้วยเป็นการนั่งสมาธิที่ถูกไหมคะไม่ถูกหรอกการนั่งสมาธิร่างกายต้องนิ่งต้องไม่เคลื่อนไหวเพราะการโยกตัวนี้เป็นการทํางานของจิตนั่นเองจิตเป็นผู้สั่งให้ร่างกายโยกไปโยกมาเมื่อมีการทํางานทางจิตนั่งสมาธิไปมันก็จะไม่สงบจิตต้องหยุดทํางาน จิตต้องรู้เฉยๆเช่นรู้ลมหายใจเฉยๆปล่อยให้น่างกายหายใจของมันไปเองคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ขออนุญาตกราบเรียนถามเรื่องชะตาชีวิตของคนดูเหมือนว่าแต่ละคนจะมีชะตาชีวิตไว้แล้วว่าจะดําเนินไปอย่างไรตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ได้รับการพยากรณ์ว่าถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกพระเจ้าอาชาติศัตรูเกิดมาต้องทำปิตุคาดแม้จะรู้รู้ล่วงหน้าหาเหตุป้องกันก็ไม่สามารถแก้ได้หรือคนอื่นๆก็จะมีผู้รู้พยากรณ์ไว้ว่า ต่อไปในอนาคตนานแสนนานจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จึงเกิดความใครรู้ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นครับก็ไม่แน่นอนเขายากรณ์ไปตามแนวโน้มแนวโน้มแต่สามารถเปลี่ยนได้อนาคตไม่มีอะไรที่ตายตัวถ้าปากรณ์ว่าจะไปทางนี้แต่อาจจะเปลี่ยนใจเวลาที่ไปถึงจุดนั้นแล้วอาจจะเบนไปทางอื่นก็ได้ อย่างสมัยนี้เขาพยากรณ์พายุเห็นไหมเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าใขั้นสุดท้ายพายุมันจะไปลงที่ไหนเขาก็ต้องคอยติดตามดูเพราะมันเป็นเรื่องของการไม่แน่นอนเพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างมีลมหลายชนิดมาเกี่ยวข้องกันลมดันก็มีลมดึงก็มีเตั้นต้องดูว่าอันไหนมีกาลังมากน้อยกว่ากัน เขาก็พยากรณ์ได้แบบเข้าข้าว่ามันจะไปในทางนี้แต่เดี๋ยวมันอาจจะเบนไปทางซ้ายหรือเบนไปทางขวาก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันอนาคตของคนเราทุกคนนี้มันไม่ตายตัวมันอาจจะมีเหตุการณ์หรือมีอาจอะไรที่จะมาเปลี่ยนแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างอื่นไปก็ได้ฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลกับอนาคตมากจนเกินไปก็รู้ว่ามันแนวโน้มมันจะไปทางนั้นเช่นคนทาบุญ มานี้แนวโน้มจะไปทางทางดีมากกว่าไปทางที่ไม่ดีคนที่ทําบาปมามันก็จะมีแนวโน้มไปในทางทําบาปมากกว่าทําบุญอันนี้เป็นเป็นการพยากรณ์แบบคร่าวๆแต่ไม่ตายตัวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดได้ซึ่งเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็น เหตุที่จะทําให้เราดีเราก็พยายามเจริญเหตุนั้นไปก็แล้วกันอย่าไปกังวลกับคําพยากรณ์มากเกินไปอย่างพระอ น, น, นุนี่ก็ไปกังวลกับคําพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าว่าจะบรรลุภายในสามเดือนพอถึงเกินสุดท้ายก็พยายามเล่นความเพียรเพราะว่ามันใกล้จะหมดกําหนดเวลาแล้วยังไม่บรรลุเสียทีก็พยายามพยายามยิ่งพยายามเท่าไหร่ยิ่งกลับไม่บรรลุเสียที ในที่สุดก็เลยยอมแพ้ยอมยเลิกพยายามเพราะมันก็ใกล้สว่างแล้วหมดเขตที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้แล้วคราวนี้พระพุทธเจ้าคงพยารณ์ผิดแน่นอนท่านก็คิดอย่างนั้นท่านก็เลยเลิกพยายามที่จะไปนิพพานความอยากไปนิพพานของท่านก็เลยหยุดไปพอความอยากไปนิพพานหยุดมันก็เลยทำให้จิตท่านเข้านิพพานได้ เพราะความอยากนี้เป็นตัวที่ทําให้จิตไม่นิพานนั่นเองความอยากทั้งปวงแม้แต่ความอยากไปนิพานก็เป็นความอยากที่จะทําให้จิตไม่ไปนิพานเพราะฉะนั้นมันเรื่องราวล่า น, นี้มันบางทีมันก็ตรงเป๋งบางทีมันก็ไม่ตรงเป๋งอย่าไปสับอย่าไปสนใจให้เรามาสนใจที่การดําเนินของเราดีกว่าว่ามันไปในทิศทางที่ควรจะไปหรือไม่ ไม่ใช่เขาพยากรณ์ว่าจะไปเป็นพระพุทธเจ้าตอนนี้กูขอกินเหล้าก่อนเขาเที่ยวก่อนเขาเล่นก่อนนี่นีมันถ้ามันปัจจุบันเป็นอย่างนี้มันจะไปทางนู้นได้ยังไงใช่ไหมคําถามต่อไปจากคุณสุกัญญาคารวะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ไหมเจ้าคะมันไม่ได้อยู่เป็นคารวะแล้วเป็นพระแล้วมันอยู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่เอ ถ้าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็สามารถเป็นพระหลาหนได้ทั้งนั้นนะแต่คนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ไม่ง่ายกว่าก็คือพระเพราะพระไม่มีภารกิจอย่างอื่นต้องทำแต่ถ้าเป็นค า, ารวาะนี้มันมีภารกิจมีเรื่องมี ร, งมราวมีพันธะมากนอกจากเป็นคารวะชนิดพิเศษมีบุญมากไม่มีภาระพันธะกับใครมีเวลาปฏิบัติได้ตลอดเวลา อันนี้ก็สามารถเป็นพระหลานได้ในสมัยพุทธกาลมีพระหลานที่เป็นคารวะก็มีเป็นนักบวชก็มีแต่ถ้าดูจํานวนแล้วผู้ที่เป็นนักบวชนี้จะมากกว่าคารวะคารวะนี้จะมีน้อยกว่ามากจะถือว่าเป็นเป็นกรณีพิเศษก็ได้แต่ถ้ากรณีทั่วไปแล้วต้องเป็นนักบวชกันเสีอส่วนใหญ่คําถามต่อไปจากคุณนก ผู้รู้ใช้วิญญาณในขันห้าไหมครับไม่ใช่หรอกวิญญาณในขันห้าเป็นผู้รับเอารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะมาให้กับผู้รู้อีกทีหนึง่งเป็นสปานเชื่อมระหว่างร่างกายกับจิตใจวิญญาณในขันห้านี้ไปเชื่อมที่ตาหูจมูกนิ้วกายเพื่อจะได้รูปรับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะมาส่งให้ผู้รู้แล้วผู้รู้ก็ใช้สัญญามาพิจารณาว่าเป็นเป็นรูปเสียงกลิ่นรสชนิดไหน แล้วพอรู้แล้วก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาเกิดสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาเราเกิดเวทนาสังขารก็จะมาะมาจัดการกับเวทนานั้นว่าควรจะทำอย่างไรถ้าเป็นสุขสังขารก็สั่งให้ไปเอามาเยอะๆพอได้เงินมาปั๊บสังขารก็บอกไปเอามาอีกอถ้าพอไปเจอของไม่ดีก็สังขารก็สัง่งบอกให้หนีไปเร็วๆ ถ้าเจ้านี่มาก็ให้หลบเสียอย่าไปเจ้าเจ้ า, จานี้ถ้ามีคนเอาเงินมาส่งก็รีบออกมารับนี่นี่หน้าที่ของสังขารเวทนามขัคฐานมีสี่มีสี่ตัวทำหน้าที่ต่างกันวิ ญ, ญิาณเป็นตัวรับข้อมูลทางตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาสัญญาเป็นผู้มาแปลข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลว่าเป็นอย่างไรดีแล้วไม่ดีพอวิอเคราะห์เสร็จก็จะเกิดสุขทุกเวทนาขึ้นมา พอเกิดสุขทุกเวทนาสังขารก็จะมาบอกว่าต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าสุขก็เปิดประตูลับถ้าทุกข์ก็ให้ปิดประตูไม่รับเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของนามขันที่ทำหน้าที่ให้กับจิตใจผู้รู้อีกทีหนึ่งจิตใจเป็นผู้รู้แล้วก็มีนามขันเป็นเป็นผู้เป็นผู้รับใช้จิตใจผู้ทำหน้าที่ให้กับจิตใจ คำถามต่อไปจากคุณสุดาพรกราบเรียนถามพระอาจารย์การที่แม่ให้พรลูกก่อนไปทำงานทุกวันด้วยคำว่าแม่ขอให้โชคดีมีสติสมาธิปัญญาในการทำงานและเป็นคนดีเป็นคนพูดที่ถูก เป็นการพูดที่ถูกต้องไหม่เจ้าคะ่ะเป็นการสั่งสอนเป็นการเตือนเราให้เราเป็นคนดีไม่ใช่ออกจากบ้านคอยลูกไปทำบาปทำกรรมนะลูกไปฆ่าคนนั้นไปลักทรัพย์นะอันนี้เป็นการสอนไม่ดีเป็นการสอนที่ดีเตือนใจเราให้เราเป็นคนดีคำถามต่อไปจากคุณนัทวุฒิตอนนี้ชีวิตเจออุปสรรคหนักทุกเรื่องเลยครับ เพราะเพราะว่าหลายปัญหาที่เจอไม่สามารถวางได้เพราะเราต้องเข้าไปจัดการอยู่ดีจะวางปัญหาต่างๆเหล่านั้นก็ไม่สามารถทำได้ลูกจะอยู่กับสภาวะแบบนี้ด้วยวิธีใดครับก็ทำอะไรไม่ได้ก็อยู่แบบเฉยเฉยไปสิทำอะไรไม่ได้จะหัวชนฝามันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ก็ปล่อยมันไปอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดฝรั่งก็เรียกว่าเคเซลาเซลาร้องไป whatever will be will be อะไรจะเกิดก็เกิดเมื่อเราทำอะไรไม่ได้เราจะไปทำอะไรผลมันจะตกเราห้ามมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันตกไปคำถามต่อไปจากคุณบิ๊กมีสองคำถามนะครับคำถามที่หนึ่งการที่จิตเรา มาได้อาศัยธาตุสี่มีความเป็นอยู่แตกต่างกันทั้งรูปทรัพย์สติปัญญาจิตใจหากจะนำเปรียบเทียบหมายถึงการกระทําต่างๆที่เราได้กระทํามาด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตพบชาติต่างๆใช่หรือเปล่าเจ้าคะนั่นแหละบุญกับบาปที่เราทำํำในอดีตมาทําให้เรามีความแตกต่างกันเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าทำบุญมากก็จะเป็นคนมีอํานาจมีวาสนามากถ้าทำบาปมากก็จะมีอภัพวาสนามีบาปติดตัวม า, มากจะชอบทำบาปทำกรรมคำถามที่สองครับพระอาจารย์เคยเทศตอบปัญหาธรรมบอกว่า ถ้าไม่มีการเกิดมันก็ไม่มีการดับมีสิ่งเดียวที่ไม่มีความเกิดความดับคือความว่างความว่างมันมีอยู่เรื่อยนะไปอยู่ที่ไหนก็เจอมันเรื่อยแต่ไม่ชอบไปชอบไม่ชอบไปชอบหนีฉะนั้นในโลกนี้เป็นความว่างสำหรับให้ผู้จะไปนิพพานมีอยู่เสมอความจริงจิตเติมแท้ของทุกคนคือความว่างใช่หรือเปล่าเจ้าคะ จิตของไม่ได้เป็นความว่างจิตเป็นผู้รู้ผู้คิดแต่ถูกความหลงหลอกมาให้คิดว่าการเจ้าจิตจะมีความสุขได้จิตต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมีลาบยศสารเสรนแต่เป็นความคิดผิดเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงจึงต้องมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาสอนจิตว่าวิธีที่จะไม่ทุกข์ก็อย่าไปมีอะไรเพราะมีแล้วมันจะต้องทุกข์เพราะสิ่งที่มีมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันต้องดับ ถ้าไม่มีก็จะไม่ทุกก็ให้จิตอยู่แบบไม่มีอะไรอยู่แบบไม่เกิดนั่นเองจิตไม่ได้เป็นความว่างจิตเป็นผู้รู้ผู้คิดแต่จิตอยู่อยู่แบบไม่มีอะไรได้เดี๋ยวนิ้บาลังบรมังสุญยังคืออยู่แบบไม่มีอะไรเลยศูนย์ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตนเองเลยไม่มีอะไรมาให้ความสุขเลยกลับกลับมีความสุขมากกว่าการมีอะไรเยอะแยะ คำถามต่อไปจากคุณวิชาญ ร, รู้จิตในจิตหมายถึงอะไรครับก็รู้จิตว่ามันเป็นยังไงจิตตอนนี้มันสุขมันทุกข์มันมันเศร้าหมองหรือมันมันเบิกบานฮะมันเครียดหรือมันสงบเนี่ยคือการรู้จิตรู้ว่ารู้ธรรมชาติของจิตรู้ว่ารู้ว่าจิตยังไม่เที่ยงแน่นอนจิตยังเป็นตายรักอยู่จิตยังมีเจริญมีเสื่อมอยู่ คำถามต่อไปจากคุณสิริกิเลสอะไรที่จะทําให้พระสกิดาคามีกับพระอนาคามีปฏิบัติต่อเพื่อขึ้นสูงขึ้นไปอีกครับกิเลสคือการมราคะความอยากเสพกามอยากมีแฟนอยากร่วมหลับนอนกับแฟน วิธีที่จะกำจัดความอยากตัวนี้ก็ต้องมองร่างกายของแฟนว่าไม่สวยไม่งามเช่นมองเข้าไปข้างในมองเข้าไปใต้ผิวหนังจะเห็นโครงกระดูกเห็น อ, อวัยวะต่างๆหรือมองตอนที่ร่างกายเป็นซากศพก็ได้ศพที่ตายแล้วขึ้นอืดเนี่ยมีเขียวสีเขียวดำำําค้ำมีน้ำเ ห, หนืองน้าหนองไหลออกมาเร่อกลายเป็น ศพที่ผุเปื่อยเหลือแต่โครงกระดูกเนี่ยถ้าเห็นร่างกายของแฟนเป็นแบบนี้ก็จะดับกามาราคะได้จะไม่อยากอยู่กับแฟนอลองสมมุติดูเนี่ยถ้าเกิดแฟนตายไปวันนี้จะเก็บจะนอนกับแฟนคืนนี้ต้นรู้เปล่ายังไม่เน่ายังไม่ผุยังไม่เปื่อยเลยเพียงแต่ไม่หายใจท่านเองจะกล้านอนกับเขาหรือเปล่าถ้าเขากลายเป็นซากศพไปแล้วเนี่ย าคิดแค่นี้มันก็จะทำให้ความอยากจะนอนกับเขานี้หายไปแล้วอันนี้จะทำให้บรรลุปเป็นพระอนาคามีได้คำถามต่อไปจากคุณอดิศักดิ์หากพบพระสงฆ์นั่งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าในเวลาที่ไม่น่าจะเหมาะสมเห็นมากเกือบทุกวันแบบนี้เราควรถามหรือปล่อยไปเพราะเป็นเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของเราครับ ถ้าอยากจะช่วยก็แจ้งความไปที่ตํารวจก็ได้บอกตํารวจช่วยมาจัดการเขาหลวงพ่อหน่อยพระรูปนี้หน่อยท่านอยู่ในที่ไม่ควรนึกถามว่าท่านต้องการอะไรช่วยเหลืออะไรหรือให้ให้ตํารวจติดต่อไปกับกรมการาศาสนาก็ได้ให้เขาจะได้มาช่วยกันแก้ไขปัญหาคําถามต่อไปจากคุณปอกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ขอกราบเรียนถามว่า ดิฉันทำวัดเย็นตอน15นาฬกา30นาที ทำได้ไหม่เจ้าคะเพราะต้องขายของขึ้นบ้านก็สามทุ่มคะ่ะทําเวลาไหนก็ได้วัดเย็นจะสวดตอนเช้าก็ได้มันก็เป็นแค่บทสวดเท่านั้นเองที่ก็แบ่งว่าตอนเย็นสวดบทนี้ตอนเช้าสวดบทนี้เราจะสลับครัวสลับหางก็ได้เอาทําว่าเช้ามาสวดตอนเย็นก็ได้เอาทําวัดเย็นไปสวดตอนเช้าก็ได้มันไม่ต่างกันะมันมันไม่ได้ขึ้นกับเวลาเพียงแต่เขากําหนดมาเป็นรูปแบบอย่างนี้ก็ทําไปตามรูปแบบนั้นเท่านั้นเอง แต่การสวดจริงๆก็เพื่อให้เรามีสติให้หยุดคิดฟุ้งซ่านนั้นเราจะสวดตอนไหนก็ได้คําถามต่อไปจากคุณ น, นุกเจ้าที่เจ้าทางมีจริงไหมคะเขาเป็นวิญญาณระดับไหนทําไมถึงอยู่กับบ้านหรือสถานที่ต่างๆถ้ามีเขาก็มาไล่เราไปแล้วเส็จเราไปอยู่บ้านเขาทําไมไปอยู่ที่ของเขาเขาก็ไล่เราไปแล้วไม่มีหรอกมาเชื่อกันไปเองมงมงาย คำถามต่อไปจากคุณมีศัก์ทำอย่างไรจะอยู่เหนือบุญเหนือบาปครับก็ไปนิพพานไงถ้าตามใจให้เป็นนิพพานมีความสุขก็ไม่ต้องทำบุญไม่ต้องทำบาปหมดแล้วนะเวลาก็หมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ